บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยมรรคไมีองแปดประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดวยลำดับในข้อสมาสังกัปปะ คือความไม่รู้ถึงความดั่งดิในทางที่ชอบหรือไม่ชอบท่านถึงสังเกตว่าเกิดขึ้นมาจากแรงของวิชาภาหรือน้อยเพราะจากการกระทําของคนเป็นอันมากที่บางครั้งแม่นําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่านั่นคือความเดือดร้อนนั่นคือการซ้ําเติมตัวเองสร้างความทุกข์แก่ตัวเองก็ยังพยายามคิด รึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งโดยหลักแล้วก็ขัดแย้งกับความรู้สึกโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่รักตนเองถนอมตอนเองที่ทรงแสดงว่าความรักอื่นเสมอโดยตดนไม่มีทั้งความคิดของใครก็ตามที่คิดแล้วเป็นศัตรูตัวใจตัวเองเพิ่มพูนความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ใจความคิดเช่นนั้น ก็สืบเนื่องมาจากอาวิชชาหมายความมาขาดเหตุขัดผลในการที่จะควบคุมความคิดจิตใจของตนให้อยู่ในัารลองรองทำที่ถูกต้องก็นี้บพงสังเกตว่าตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดนั้นอาจจะสืบเนื่องมาจากสิ่งที่เก็บสะสมไว้ภายในใจแล้วก็เหนียวนึกตึกนึกเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาคิด คิดเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจเมื่อนั้นแต่ยังก็คิดอยู่อีกเรื่อยๆที่ปัจจุบันมักใช้คำว่ามีความวิตกกังวลมีอาการเหมื่อยลอยมีอาการเก็บกดกลายเป็นคนที่คิดมากมีปัญหาทางด้านสุขภาพในกรณีต่างๆเหล่านี้ถ้าเรานำเอาสิ่งที่ท่านเหล่านั้นเหนียวนึกขึ้นมาคิด ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยสร้างความทุกข์ทรมานความไม่สบายใจเกิดขึ้นแก่ท่านมาก่อนแล้วแล่ยังพยายามที่จะคิดพยายามที่จะนึกถึงเรื่องดอดนั้นมีคนเป็นอันมากที่รู้ทั้งตัวปัญหารู้ทั้งสาเหตุของปัญหาแต่ก็ไม่พยายามที่จะดับปัญหาในสุดปริมาณของความวิตกกังวลความร่าร้อนก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจ การนำความทุกข์ในระดับต่างๆมาสู่ชีวิตของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องบางครั้งเป็นคราวเป็นแรงกระตุ้นเตือนมาจากข้างนอกให้พึงสังเกตว่าการรับการซึมซับเปอรลักษณะของสื่อที่ผ่านมาทางปรษ า, าสัมผัสโดยเฉพาะยังยิ่งทางตาทางหูทางใจข้ามาปรุงคิดคิดปรุงไปตามกระแสะเหล่านั้น บางครั้งก็กลายเป็นคนที่สร้างปัญหาหแก่ตัวเองอยดี๋ยวที่พเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่าโจกรกับโจรไมาเจอกันหรือคนที่เป็นคู่ศัตรูอาฆาตพยาบาทมาเจอกันพวกนั้นก็จะอาจจะห้ามหันทำอันตรายประทุษรายต่อกันแต่ทําได้อย่างมากก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งตายไปแต่นั้นเองเดียวจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด ในการคิดผิดในการปรุงคิดในการคิดปรุงเพิ่มพูนปริมา ณ, มาณกิเลสขึ้นเผาหลนใจตัวเองบางครั้งบางคราวอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ากลางคืนเป็นขวันกลางวันเป็นไฟกลางคืนก็มีความเหนียวนึกตึกนึกเรื่มหน้าความกำหนัดเกิดเครื่องรุ่มลงคอยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นพอกลางวันก็เพียรพยายามที่จะตอบสนองตอบสนองความต้องการของตน เป็นบางครั้งบางคราวเป็นการบำรุงบำเรอแต่ที่จะเป็นการบำรุงก็การเป็นการบำเรอเป็นการนปนเปื้อตัวเองเป็นภาพของการไล่วิ่งจับเงาเพื่อมุ่งสนองความอยากที่มันเกิดขึ้นในสุดใจที่รู้สึกว่าเต็มว่าอิ่มว่าพร้อมก็เกิดขึ้นไม่ได้กลายเป็นใจที่กระสันอยากไม่รู้จักจบ คนนีมันสังเกตว่าเอาก็จริงแล้วมันก็อยู่ที่จิตเราตั้งไว้ผิดไม่พยายามที่จะควบคุมความคิดที่รายยิ่งกว่านั้นก็คือมุ่งไปควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอื่นเลาก็จริงเราก็คุมไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็เป็นอิสระแก่ตัวเองหลักธรรมนในทางพุทธศาสนาพระเจ้าจึงสอนให้คุมที่ตัวเองไม่ใช่มุ่งไปคุมคนอื่น คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างน้นปัญหาที่จะต้องตอบและต้องถามก็คือว่าเราเป็นอย่างไรมีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรแลวควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรและควรจะรักษาไว้ควรจะป้องกันควรจะบำบัดควรจะบำรุงควรจะรักษาถยวทำได้จริงๆก็ทาที่ตัวเองซึ่งค่อนข้างจะเป็นการกระทายากแต่นั้นก็คือหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลักษณะการรับอารมณ์จากข้างนอกตามปกติแล้วใจเราก็ต้องรับอารมณ์ปเป็ธรรมชาติของใจคือการรู้อารมณ์การจําอารมณ์การคิดอารมณ์และการรู้อารมณ์ในระับต่างๆก็แสดงว่าตรงนี้เราหยุดเขาไม่ได้เพราะเป็นภาระเป็นหน้าที่ที่จิตจะต้องทํางานอย่างนั้นแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่การรับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แนวคำสอนในทางพุทธศาสนาจึงทรงวางไว้ในระดับต่างๆเหนถ้าจะเอาจริงเอาจังกันก็จะต้องมีการหลีกเ้นหนีอารมณ์ซึ่งเป็นค่าศึกต่อจิตหมายความไม่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นแล้วเพิ่มราคะเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มความริษยาความแข็งดีความขัดเคืองความมาคาดแค้นอะไรต่างๆก็หลีกนี้อารมณ์ น, นั้น วันแบบชีวิตตรงนี้จึงทรงวางไว้เป็นแบบชีวิตของนักบวชคือภิกษุสามเณรส่วนภิกษุณีสามเณรีนางสิกขะมานานั้นมีปัญหาในเรื่องของสถานภาพหรือจะไปหลีกเร่นเข้าอยู่ตามป่าตามเขาก็คงไม่ได้ก็ อ, อยู่ในบริเวณที่จะเกิดสวัสดิภาพแก่ชีวิตตนให้ได้สะก่อนแล้วจึงมาแก้ปัญหาที่ด้านจิตใจ แสุดว่าทั้งหมดก็ต้องการจะตัดกระแสของอารมณ์ซึ่งก็ทำได้จำนวนไม่มากเนื่องจากมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบอีกเป็นนันมากในประการที่สองนั้นเป็นการเลือกสรรคัดสรรอารมณ์ก็คือแนวของการครบหาสมาคมกับคนดีมีความเกี่ยวข้องผูกพันได้ยินได้เห็นได้ฟัง ไ, ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดีๆ ที่ทรงใช้คำว่าบัณฑิตบ้างสัตว์ประหตบ้างหมายความถ้าเราอยู่ในสมาคมเหล่านั้นจะมีคนกี่พันกี่หมื่นก็ตามจะไม่มีปัญหาเรื่องการเพิ่มเชื้อกิเลสได้บังเกิดขึ้นแต่จะโน้มน้าจิตใจของบุคคลให้หันเข้าสู่ความสงบความยึดเยความโปร่งเปาสบายเพราะว่าบัณฑิตนั้นเมื่อจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสุภาษิ เมื่อจะทำก็ทําในเรื่องที่เป็นสุจริตมนความคิดของท่านเองก็เป็นมโนสุจริตลักษณะาาการที่ปรากฏแก่สายตาของเราก็คือสงบกายสงบวาจาสงบใจแต่ที่เราเห็นจริงๆก็คือสงบกายกับสงบวาจาสงบใจเราไม่เห็นหรอกแต่ก็เป็นภาพสะท้อนในเห็นว่าใจท่านสงบเพราะท่าน ส, สามารถสงบที่กายที่วาจาได้เพราะจะเห็นว่าการรับ รู้ทางภาษาสัมผัสในขณะนั้นๆมันก็ตุ้นธรรมะเป็นการโน้มนำให้จิตเราคล้อยตามเห็นตามปฏิบัติตามทำนองคล้ายๆกับเราเข้าไปในห้องที่คนกำลังนั่งสมาธิอยู่กางนั่งฟังธรรมอยู่กำลังอ่านหนังสืออยู่ถ้าจิตสมมติเราดีพอนั้นเราจะน้อมเข้าไปในจุดใดจุดหนึ่ง ย, ย่าไม่มีอะไรก็คือเงียบ ไม่ไปรบ ก, กวนคนอ่านหนังสือไม่ไปรบ ก, กวนคนฟังเทศไม่ไปรบ ก, กวนคนนั่งสมาธิเืิดแสดงว่าการทําได้อย่างนั้นใจก็ต้องสงบทําไม่สงบเราก็ทําไม่ได้จะถามว่าทําไมจึงปรับอุกกาตสภาพไปตามสถานการณ์เช่นนั้นก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวเร่งเป็นตัวบีบให้เราต้องปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในขนาดนั้นๆ ดังนั้นการรับรู้เรื่องต่างๆในแต่ละวันถ้าเราอยู่ในแวดวงของคนที่เป็นสุจริตได้จริงๆปัญหาเราก็ไปมากแต่ตั้งปัญหาถามว่าเอาก็จริงๆเราอยู่ได้ไหมตอบว่าอยู่ไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องมีความเคลื่อนไหวไม่ต้องเกี่ยวข้องเราเลือกอารมณ์คัดสรรอารมณ์ทั้งหมดไม่ได้และจริงๆก็ไม่มีใครที่จะคัดสรรได้ เราเมืดูพระเจ้าเสด็จไปบำเพ็ญเพียรจะรู้อยู่ในป่าประทับอยู่เพียงปรองเดียวแต่ว่ายังถูกนางตนะราชาระจีตามไปยุ่ยยวนพยามานตามไ ป, ประจญ น, นั้นการปรับที่สําคัญก็คือว่าปรับที่ใจเราเองลักษณะของอารมณ์ที่ผ่านมานั้นจะผ่านมาอย่างไงก็คือเรื่องของอารมณ์เรานัอนปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ปรับใจ ที่ตองใช้กับว่าให้สงบใจจากอารมณ์ที่เป็นคาดศึกต่อความสงบถึงก้อนี้พึงเพิ่งสังเกตอย่างเรื่องราวที่พระเจ้าทรงแสดงแก่นักพรนรำคนหนึ่งที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าผา ง, งานอาชีพของท่านนั้นครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ว่าเป็นการให้ความบันเทิงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จะเป็นการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลตายแล้วจะบังเกิดเป็นเทวดาเทวดาที่มีแต่วความรื่นเริงบันเทิงใจเรื่องเหล่านี้มีความเป็นจริงอย่างไรผู้เจ้ารับสั่งว่าอย่าถามเลยไม่ต้องการจะตอบประเดี๋ยวเธอจะเสียใจเขาพยายามอ้อนวอนขอร้องด้วยวิธีการต่างๆขอผู้เจ้าทรงสแสดงผู้เจ้าทรงสแสดงว่ามันไม่ได้ไปเกิดบนสงสวรรค์อย่างที่เข้าใจหรอก แต่จะไปตกนรกตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนใจก็สงบอยู่ไม่มีราคะคุณก็ไปแสดงไร้รำเป็นการเต้นตัวนๆนะก็เกิดราคะคนก็ไม่มีโทสะอยู่คุณก็ไปกระตุ้นนะก็เกิดโทสะคนไม่มีโลภะคุณก็ไปตุ้นนะก็มีโลภะคนไม่มีโมหะคุณก็ไปตุ้นนะก็มีโมหะก็แสดงว่าการกระทําเช่นนั้นที่จริงแล้วเนี่ยใจเราจะต้องมีอาการเหล่านั้นเะก่อน ถ้ามีอาการแล้วก็แสดงออกมาไม่ได้หมายความว่าเป็นการประทุษร้ายต่อใจตัวเองใจไม่มีราคาก็ต้องปุงให้เกิดราคาขึ้นมาเพื่อสามารถแสดงให้สรับก็อารมณ์ได้ใจไม่มีโทสะก็ต้องกระตุน้นใจไม่มีโมหะก็ต้องกระตุน้นใจไม่มีโลภะก็ต้องกระตุน้นใจไม่มีริษยาก็ต้องกระตุ้นขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเมื่อเกิดผล่นใจตัวเองมาก่อนถางานก็แสดงในสมบทบาทไม่ได้ ก็แสดงไปก็ได้สมบทบาทต่างๆคนที่ดูก็จะคล้อยตามจะไหวตามไปหมายความว่าเป็นการรับสื่อที่เป็นโทสะให้เกิดโทสะสื่อที่เป็นราคะให้เกิดราคะสื่อที่เป็นโลภะให้เกิดโลภะสื่อสื่อที่เป็นโมหะให้เกิดโมหะสื่อที่เป็นริษยาให้เป็นริษยาตกลงว่าแต่ละคนนั้นจะถึงจุดหนึ่งก็คุมตัวเองไม่ได้ ดังนั้เราจึงเห็นภาพของการแสดงว่าบางทีทั้งผู้แสดงบนเวทีทั้งผู้ที่อยู่ล่างเวทีมันก็เต้นไปด้วยกันหรือแม้แต่กีฬาต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจากจุดตรงนี้จึงเป็นโครงสร้างหลักที่กระตุ้นเตือนใจผู้รับข้อมูลข่าวสารให้ได้ฉุกคิดได้หยุดคิดเพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นเราต้องรับแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้ แม้จะไม่อ่านหนังสือพิมพ์แม้จะไม่ฟังวิทยุแม้จะไม่ดูโทรทัศน์เราก็ต้องได้เห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆวันการวิวนิจฉัยข้อมูลข่าวสารและการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นให้เกิดประโยชน์เป็นภาระเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระเจ้าจึงทรงสแสดงคุณลักษณะของความเป็นพุทธสาวกไว้ว่ า, วาอติโรจติปัญญายะสมาสัมบุทธสาวโก สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาปัญญาเป็นประทีศสองทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับไฟที่เราใช้สองทางเดินไปในที่มืดในส่วนอื่นก็คงอาจจะมืด อ, อยู่แต่ว่าในส่วนที่เราฉายไฟไปนั้นมันก็สว่างทำไมเรามองเห็นถนนน้นทางว่าที่ตรงไหนควรเดินไม่ควรเดินควรหลบควรหลีก นะควรจะทำอย่างไรก็ปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องไปกับแสงสว่างที่สองทางให้เราเห็นฉันเลยก็ดีลักษณะของอารมณ์ที่เข้ามากระทบในชีวิตประจำวันซึ่งถือว่ายุคสมัยปัจจุบันนั้นมีอารมณ์มากเป็นพิเศษแล้วอารมณ์ค่อนข้างไปทางปรุงแต่งหมายความว่ามีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังของอารมณ์ตที่จะเป็นอารมณ์ปกติธรรมดาอย่างพระที่อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ ก็มีอารมณ์ปกติธรรมดาอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติไม่มีลักษณะกระตุ้นราคะโทสะโมหะแต่ไปกระตุ้นความกลัวไปกระตุ้นความว้าเวความดุดเดี่ยวความปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นตามธรรมชาติของจิตราะกายอยู่ที่ป่าด้ใจมันดิ้นเข้าไปเมืองความไม่สงบมันก็เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าตัวกระตุ้นข้างนอกไม่มีกำลังปัญหาใหญ่มันอยู่จากข้างในมากกว่าที่จะอยู่จากข้างนอกแต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นจะถูกตัวกระตุ้นทั้งข้างในและข้างนอกข้างในเป็นการเก็บสะสมจากการถูกกระตุ้นจากตัวนอกแต่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันท้อนความคิดในลักษณะต่างๆของคนในเมืองจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงในแต่ละเรื่อง รสภาพเป็นล้อมนั้นจะมีลักษณะบีบอารมณ์บีบทั้งราคะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะทั้งริษยาอาฆาตทั้งความแข็งดีทั้งความถือตัวทั้งการเอาัดเอาเปรียบกันจนกลายเป็นภาพของการเห็นแก่ตัวเรี่นงที่บอกว่าเราก็แก้ปัญหาสังคมตรงนั้นไม่ได้ที่ทรงสอนก็คือสอนให้แก้ที่ใจเราเองในส่วนของการสารวมระวัง หม่ความมาตั้งสติ ล, ลึกรู้อารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะแล้วก็เลือกรับตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์เรานั้นทำนองคล้ายๆกับประสาทสัมผัสส่วนอื่นเช่น ว, ว่าจมูกได้กลิน่นเราก็ต้องหายใจเราก็ต้องสัมผัสกลิน่นเป็นปกติธรรมดาแต่ทำยังไงจะมีปัญญาวินิจฉัยกลิน่นที่หายใจเข้าไปว่ากลิ่นบางอย่างนั้นควรหยุดหายใจ กลิ่นบางอย่างนั้นควรหายใจแต่พอรักษาชีวิตไปได้แต่บางอย่างก็สูให้ใจลึกๆเข้าไปได้ประเด็นสาคัญว่าปัญญาจะต้องเกิดขึ้นทันทุกขณะที่เรามีการหายใจเพราะถ้าเกิดไม่ทันได้ไปเจอกับกลิ่นบางกลิ่นที่เป็นพิษขึ้นมาอาจจะเป็นอันตรายแก่เราได้อย่างที่เป็นข่าวคราวให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอประสาทสัมผัสจมูกมันสัมพันธ์กับประสาทใจ หมายความว่าจมูกสูดกลิ่นใจรู้กลิ่นทันทีทันใดมีสติสัมปชัญญะวินิจฉัยทันในขณะนั้นความเพียายามที่จะป้องกันกลิ่นเหล่านั้นไม่เข้าไปหรือจะเพิ่มพูนกลิ่นเหล่านั้นให้เข้าไปหรือจะให้เข้าไปแต่พอประมาณก็สามารถปฏิบัติไปสอดคล้องแก่กรณีนั้นนั้นใจที่ทํางานสัมพันธ์กับจมูกได้อย่างนี้ ก็จะเป็นการป้องกันอารมณ์ที่ผ่านมาทางจมูกมาให้ไปเพิ่มสิ่งที่ประทุษร้ายต่อใจหรือประทุษร้ายต่อร่างกายในขณะเดียวกันเราก็มีประสาทสัมผัสส่วนอื่นว่าทำไมทำทำอย่างไงประสาทตาจะทำงานประสานกันใจได้แลวความตาเห็นรูปนั้นใจระลึกรู้รูปในทันดีทันใดและมีการตัดสินวินัยใช้รูปนั้นในขณะนั้นนั้นได้ บางครั้งก็ต้องปล่อยให้เป็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเป็นแนวของใช้การอุเบกขาคือวางเฉยในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ที่สอนให้วางเฉยนั้นเป็นอารมณ์นอกวิสัยของเราจะเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันเป็นวิสัยของกรรมเมื่อเป็นวิสัยของกรรมแล้วแม้แต่พระเจ้าก็ไปแก้ไขกรรมไม่ได้ทำยังไงจะใช้อารมณ์ในแนวนี้ คือทำใจเป็นอุบเบกขาในอารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความชังที่สืบเนื่องมาจากความรักความชังที่ความรักความชั่นั้นก็สืบเนื่องาจากการเก็บความรู้สึกยินดียินรายไว้สะสมต่อเนื่องยาวนานมาเพมีปัญหาหเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้น บางทีใจมันเกิดโศกบางทีใจมันเกิดโกรธบางทีใจมันเกิดเมตตาบางทีใจมันเกิดพยาบาทบางทีใจมันเกิดมุทิตาบางทีใจมันเกิดริษยาแต่ว่าบางการณีนั้นนอกวิสัยทยํายังไงจะทําใจเป็นอุเบกขาได้โดยมองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของกรรมจากนี้มีการสวดสาธยายกาันแล้วก็ปรองให้ตกในอารมณ์ดอนนั้น ไม่เป็นนํามาปรุงคิดคิดปรุงเพิ่มราคาเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มริษยาเพิ่มแข็งดีเพิ่มดูมินอะไรต่ออไรใครแต่เมื่อนอกวิสัยก็คือสงบใจตรงนั้นบางอย่างท่านก็สอนให้มองในแง่ที่มีปัญญารู้เท่าทันเพืสังเกตว่าระดับธรรมะปฏิบัตินั้นแนวของศีลกับแนวของธรรมะแนวสมถะ สามระดับแนวศีลแนวธรรมะปฏิบัติแนวสมถกรรมฐานเป็นการสอนในแนวเลือกเฟ้นอารมณ์เหล่านั้นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าทำอย่างนี้ผิดศีลทำอย่างนี้ไม่ผิดศีลเราก็เลือกเฟ้นให้มันถูกศีลคือไม่เป็นการละเมิดศีลเพราะถึงแนวธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้น หมาอความว่าตรงนี้ควรทำยังไงควรประพฤติปฏิบัติยังไงคนคนนี้เราจะควรจะใช้เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาจะใช้ธรรมะให้หมดสมสอดครองแก่กรณีเหล่านั้นลักษณะอารมณ์ของสมถกรรมฐานยังเคยบอกไว้ว่าอารมณ์สมถกรรมฐานนั้นจะเป็นกลางกางกับเป็นสิ่งที่ดีๆ มายความเป็นการดึงจิตมาอยู่ในจุดหนึ่งให้ห่างจากอารมณ์ที่กระตุ้นราคะโทสะโมหะเกิดตุนโลภะเพราะอารมณ์กรรมาฐานทั้ง40จึงเป็นกลางๆ ก, กับเป็นสิ่งดีดีสิ่งนี้ดีเช่นพุทธานุติธรรมานติสังฆานตุติเป็นต้นสิ่งที่เป็นกลางๆเช่นธาตุสี่เช่นอาหารเช่นดินน้ำลมไฟอากาศปกสีต่างๆเราจะเห็นว่าต ร, ตรงนี้ที่จริงเป็นสิ่งเป็นกลางกลา ไม่ใช่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดราคาโทสะโมหะโดยสภาพของมันแต่ในขณะเดียวกันคนก็ปรุงได้เห็นดินก็เกิดโลภะคืออยากได้แผ่นดินมากๆก็ได้บางครั้งบางคาก็เกิดเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วเขาเองเขาไม่มีอะไรเขาเป็นตัวกลางๆพ้นตรงนี้แหละท่านสอนให้ทำใจใสงบอยู่ตรงนี้หมายความว่า อะไรที่เอาไปเกาะแล้วมันเย็นจะจับแล้วมันเย็นก็จับไปได้นัานๆเพราะจับอยู่ที่พระพุทธคุณใจก็เย็นจับอยู่ที่พระธรรมคุณใจก็เย็นจับอยู่ที่สังก ค, คุณคือคุณของพระรญาณสงฆ์ทั้งหลายก็เย็นจับที่ศีลก็เย็นจับที่ราคะก็เย็นจับที่ลมหายใจเข้าออกก็เย็นเพราะก็ใจไปจับไว้ตรงนั้น เพื่ออะไรเพื่อจะปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่มากระทบใจไม่ยอมออกไปรับอารมณ์หอกนั่นคนแนวตรงนี้ที่จริงก็คล้ายๆกับมแมลงมุมที่ทำรังแล้วก็ไปนอนอยู่กลางรังไม่มีปัญหาอะไรมากระทบตะข่ายของมันมันก็ไม่ว่าอะไรจะนอนอยู่เฉยๆเป็นการสงบไว้ตรงนั้น ตอนนี้พูดง่ายๆว่าอมองว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปฏิบัติปล่อยให้สอดคล้องกับอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆโดยพื้นฐานก็อย่างน้อยที่สุดตรงเว้นบาปได้ถ้าเพิ่มความดีได้ก็เป็นการดีแต่อย่างน้อยให้เว้นบาปได้แต่ถ้ามองในแนววิปัสสนานั้นปริมาณปัญญาปริมาณของสติปริมาณความเพียรจะต้องมากพอ ในวิปัสสนาจึงถือว่าอะไรก็ได้ไ ม, มีความสําคัญอะไรเพราะจริงๆสิ่งทั้งปวงก็คือนามรูปใจจะกําหนัดใจจะขัดเครื่องใจจะโลภใจจะริษยาใจจะแข็งดีมันอยู่ที่ใจใครใจคนนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งข้างนอกสิ่งข้างนอกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่นนามเป็นนา ม, เ ป, นนามเป็นรูปอยู่นั่นเองสิ่งเหล่านี้เขามีมาตั้งแต่พร้อมโลกแล้วแต่คงสรุปรวมก็คือคงเป็นนามก็เป็นรูปอยู่นั่นเอง ดังนั้นเราจึงพบว่าพระยาบุคคลเป็นอันมากที่ท่านเจริญวิปัสนาปัรุมัคคได้โดยอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนพิจารณาสิ่งที่มีความสวยงามเช่นพิจารณาที่ดอกไม้พระบางรูปนั่งเจริญกรรมาฐานพิจารณาดอกบัวซึ่งอยู่ในสระน้ำ พอต้องแสงปราชิดก็เริ่มแบ่งบานขึ้นไปโดยลาดับนางเพ่งมองผ่านการเวลาไปบามางข้าวดอกบัวก็เริ่มเหี่ย ว, เ, ยวเริ่มร่วงโรยลงไปน้อมดอกบัวเข้ามาหาตนน้อมตนเข้าไปหาดอกบัวมองเห็นว่าชีวิตมันก็เป็นเช่นกับดอกบัวถึงจุดหนึ่งก็จะแบ่งบาน แต่หลังจากนั้นไปก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามสภาพของมันจนหมดสภาพความเป็นดอกบวกัวก็กลายเป็นรูปบัวอาจจะมีโอกาสที่สืบพืชพันธุ์ให้เป็นดอกบัวขึ้นมาอีกแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นวงจรที่ไม่มีจุดจบชีวิตคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้น มันเกิดขึ้นดำรงอยู่มีจุดที่ประสบกับสิ่งต่างๆนั่นดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีจุดเบ่งบานจุดเบิกบานจุดรุ่นแรงจุดเปนที่ยอมรับชื่นชมของบุคคลเท่าไรและสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเปลี่ยนแปลงเข้ามันตามสภาพของมันจนถึงชีวิตของเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็มองเห็นชีวิตว่าไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นถรือมันอะไร แล้วไะสุดก็จะน้อมได้เป็นสากลการมองเป็สากลก็คือมองแบบสังขารทั้งหลายเพราะจริงๆก็สิ่งในโลกก็คือสังขารที่เรียกว่าสังขารที่มีใจครองกับไม่มีใจครองแต่ทั้งมีใจครองและไม่มีใจครองล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในกฎของว่าใจรักด้วยกันนั่นั้นใจก็จะมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียกวิสังขารคือไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่ง ไม่มีปัจจัยที่ปรุงแต่งจะมีนิพานเป็นอารมณ์จะนิยวนึกสึกนึกไปเพื่อบรรลุผลตรงนั้นแต่ถ้ายัางยึดตรงนี้มันก็ไปตรงนั้นไม่ได้เพราะใจท่านจะเริ่มปล่อยจะเริ่มวางที่ท่านใช้คำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอารมณ์ น, นั้นแทนที่จะไปยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นของเราบ้างไปเราบ้างเป็นตัวตนก็เราบ้าง ควยึดมั่นถือามันก็นจะจางไปคลายไปนี่ก็สแสดงว่าเรียนมาจากดอกบัวซึ่งเป็นธรรมชาติแต่ดอกบัวก็คือบทเรียนของสิ่งทั้งหลายมันก็เหมือนกันทั้งหมดว่าอยูใ่ในจุดที่เรียกว่าอุ ป, ปดาดัตติปังคะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่กรดับไปเพียงแต่ดอกบัวไม่มีใจครองมันก็ท่านั้นร่างกายเราถ้าไม่มีใจมันก็คือเหมือนกับดอกบัวคือไม่มีใจครองเหมือนกันและเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกัน จนมองเป็นแนวสากลซึ่งก็เป็นการมองแนวเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านมองเพียงแต่พระเจ้ามองจากคนซึ่งยากกว่ามองดอกบัวเพราะคนี่ทรงมองนั้นเป็นคนที่อยู่ในวัยเบ่งบานวัยที่สวยงามเป็นคนที่คัดสรรมาไวในหวังของพระองค์ซึ่งพระเจ้าสุโธธนะทรงระมัดระวังมากแต่ทำไมท่านมองได้มันก็อยู่ที่ความแหลมคมของปัญญา เราเห็นว่าคลกันเรามองในจุดเดียวกันแต่ว่าเครื่องมือในการมองนั้นต่างกันจุดหนึ่งใช้ตาธรรมดาจุดหนึ่งใช้แว่นขยายจุดอีกระดับหนึ่งใช้กล้องจุลทัดอีกหนึ่งใช้กล้องที่มีระดับสมรรถภาพาสูงกว่านั้นการมองในจุดเดียวกันนั่นเองแต่เองจะมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปทําไมจึงเห็นแตกต่างกันคือตัวแสงสว่างที่สามารถขยายได้ ธรรมะขยายออกไปทุกแนวทุกมิติได้เป็นการมองรอบรัว ก, ก็กลายเป็นสเพสสังการาคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็นรรมจจะเจริญวิปั ส, สนาธรรมะบรรลุมรรคผลได้หรือการมองแบบพระยาศาสก็มองภาพคัดสรรเช่นเดียวกันแต่ว่าปัญญาท่านแหลมคมท่านลึกซึ้งท่านก็มองของท่านไนด้หรือการมองอย่างสามเณรเ ร, เรวัตทึ่เคยเล่าฟัง เป็นการมองก้าวจิตเข้าไปสู่อนาค ต, ตการอีกร้อยสปีร้บปีคือมองจังเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดขวบแล้วก็นึกไปถึงร2 0ยีพปีว่าผู้หญิงนั้นเมื่อแก่อยุ่120ปีภาพมันจะเป็นอย่างไงแล้วตัวเองเมื่อยุครบร้อยปีนี่ภาพจะเป็นอย่างไงตัวอย่างที่ ท, ท่านได้คิดก็คือภาพจะเหมือนกับหญาทั่วซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้านั้นเด็อายุรยปี ก็มองเห็นว่าสังขารนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแต่ประการใดความคิดเหล่านี้ผมสังเกตว่าจะเป็นความคิดที่ใช้ปัญญาเป็นหลักเพราใช่ปัญญาเป็นหลักมันไปตัดเป็นความดั่ริในทางที่ไม่ชอบคือการมาสังกปะความดั่ริด้วยอำนาจความใคร่มันไม่มีอะไรน่าใคร่จริงๆต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป